ตอนที่สี่สิประลองปัญญาเกี่ยวกับจดหมายที่จักรพรรดิเทจูกเก่าซ่อนไว้ในสารเจ้าประจำตระกูลชูหลิงมั่นใจในสิ่งหนึ่งนั่นคือคนที่ล่วงรู้เรื่องนี้ล้วนตายไปหมดแล้วส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมไม่มีทางรู้เนื้อความในจดหมายนั้นดูเผินเพินคล้ายจะเป็นความผิดหวังต่อลูกหลานที่ไม่เอาฐานในภายหลังแต่เมื่อชูหลิงที่เรณาอย่างละเอียดในภายหลังกลับพบความอะไรอาวรที่ซ่อนอยู่ภายในอลไรในบอลลังหรืออะไรในสายเลือด กวาชูหลิงจะเสด็จกลับจากสารเจ้าประจำตระกูลมายังตำหนักต้าซิงก็เป็นเวลาดึกมากแล้วเนื่องจากความมืดมิดจึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่าภายใต้เสื้อคลุมที่ชูหลิงอบกอดไว้นั้นมีสิ่งของซ่อนอยู่เพียงแต่จะทำลายกล่องไม้ทิ้งอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ชูหลิงต้องพิจารณาส่วนจดหมายฉบับนั้นเขาพกติดตัวไว้ส่วนแผนที่ขุมทรัพย์กลับถูกชูหลิงทำลายทิ้งไปแล้วด้วยพรสวรรค์ความจำดีเลิศทำให้ชูหลิงรล่วงรู้ว่าคลังสมบัตินี้อยู่ที่ใดซึ่งสิ่งนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่่งงงตตอออกาาาารวาแผนนนขขเใค อย่างน้อยชูหลิงก็ไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องเงินทองอีกต่อไปเมื่อพิจารณาอย่างทีท่วนชูหลิงก็รู้ดีว่าสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ในวันนี้นอกจากต้องพึ่งพาตนเองเพื่อฝ่าทางแต่แล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้ต่อให้จักรพัฒน์เทจู ก, กรฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งแล้วต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาในวัยเพียงเท่านี้ก็ยากที่จะมีหนทางที่ดีอะไรคนแต่ละรุ่นย่อมมีภารกิจของแต่ละรุ่นที่ต้องทําหากคนรุ่นก่อนทําสิ่งที่ควรทําไม่สําเร็จแล้วทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังย่อมจะนนนําาาาาาาาพคควมมมยยยุุย่่่่งงงกสูรหหลัอ และเป็นเพราะได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเองที่ทำให้ชูหลิงยิ่งมั่นใจในสิ่งหนึ่งนั่นคือการเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิเสวียนจงชุนจะต้องมีเงื่อนงาซ่อนอยู่มากมายอย่างแน่นอนในขณะที่ชูหลิงกำลังคุ้นคิดเรื่องเหล่านี้พร้อมกับหาวิธีจัดการกับกล่องไม้ไปด้วยนั้นน้ำตำหนักชางเล่ในเวลานี้กลับตกอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่งนายหญิงท่านกาลังคิดอะไรอยู่กันแน่ภายในถงใหญ่ เสียงซักไซของชางหลีดังขึ้นสุนหลีมีสีหน้าเคร่งขรึมนางนั่งอยู่บนบัลลังก์หงจ้องมองชางหลีและจงชวนทั้งสองคนส่วนชางหลีก็กล่าวต่อไปว่าหากนายท่านล่วงรู้ว่าต้าอาวีที่เขาสร้างมากับมือต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าอยากจะถามนายหญิงว่านายท่านเขาจะรู้สึกอย่างไรจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งต้าวิผู้เกรงกลัวกลับไม่มีอำนาจแม้แต่น้อยถูกกักขังไว้ในตำหนักต้าสิงข้างกายไม่มีแม้แต่คนที่ไว้ใจได้เช่นนี้จะต่างอะไรกับห้องเต้ของราชวงศ์ก่อนกันเจ้ากำลังซักไซข้าอย่างนั้นหรือ สุลีแค้นเสียงเย็นชาจ้องมองชางหลีพลางกล่าวว่าหากไม่ใช่พระพวกเจ้าเข้าวังมาสถานการณ์จะกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรความผิดน่าที่เกิดขึ้นในวันนี้พวกเจ้าไม่มีความผิดเลยหรือพวกกรมม่อมนั้นมีโทษทันจงชวนเลิกชายเสื้อคลุมคุกเข่าลงบนพื้นประสานมือคาระวะสุลีแล้วกล่าวว่าแต่นายหญิงหากท่านคิดจะสถาปนาหนึ่งในสองพระองค์นั้นขึ้นเป็นจักรพรรดิเปรงว่าแผ่นดินและราชมตรีของต้าอวีจะถึงการวิบัติอย่างแท้จริง สองพระองค์นั้นในเขตปกครองของตอนเองทําเรื่องอะไรไว้บ้างนายหญิงท่านได้รู้เรื่องเลยจริงๆหรือกระหม่อมไม่เชื่อหรอกแม้จะเป็นการสืบราชบัลลังก์จากพี่สู่น้องแต่นั่นก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเอาเถอดต่อให้ท่านคิดว่าพวกกระหม่อมหลอกลวงท่านกระหม่อมก็อยากถามนายหญิงสักคำหักท่านอ ห, หนึ่งในสองพระองค์นั้นเป็นจั ก, กรพรรดิท่านจะวางจั ก, กรดิสเวียนจงชุนไว้ที่ใดจักรพรรดิสเวียนจงชุนคือพระนัดดาองโตสายตรงที่ท่านรักที่สุดนะพ่ายยะค่ะมือของสุหลีสั่นสถานเล็กน้อย ลูกคนเล็กหลานคนโตคือแก้ตาดวงใจของคนแก่เมื่อได้ยินจงชวนกล่าวเช่นนี้ในสมองของสุนหลีก็ปรากฏภาพร่างที่นางคุ้นเคยรอยยิ้มนั้นสุนหลีไม่เคยลืมเลือนจนถึงบัดนี้แม้กระทั่งตอนนี้สุนหลีก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าหลานรักที่นางฝากความหวังไว้สูงยิ่งจะเสด็จสวรรคตอ ย, อย่างปริศนาเช่นนี้ ต่างจากชูหลิงที่ขึ้นครองราชจากกระพัศเวียนจงชุนสืบทอดราชบัลลังก์ตามราชโองการโดยไม่มีฝ่ายหลังเข้ามาแทรกแซงอำนาจประการหนึ่งคือฐานะพระนัดดาองโตสายตรงอีกประการหนึ่งคือตอนนั้นชูชีบรร ล, ลุนิติภาวะแล้วชูหลิงกับชูชีมีอายุห่างกันถึง21ปีเรื่องนี้ในหมู่ชาวบ้านอาจไม่พบเห็นบ่อยนักแต่ในราชวงศ์กลับเป็นเรื่องปกติเพราะจักรพรรดมีสตรีมากมายในฐานะพี่น้องหลังจากทั้งคู่ขึ้นครองราชสถานการณ์และสิ่งที่ได้รับนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็อย่าได้เอ่ยถึงอีกเลยสุลีขมความเศร้าโศกจ้องมองทั้งสองด้วยสายตายเย็นชาต่อให้พูดไปมากกว่านี้หลานของข้าก็ไม่ฟื้นกลับมาแล้วส่วนเรื่องที่พวกเจ้าพูดมาข้าทําเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลของข้าเองสุลีปากบอกว่าผ่านไปแล้วแต่นางกลับไม่เคยปล่อยวางเรื่องนี้เลยจากกระพัเสวียนจงฉุนสิ้นพระชนได้อย่างไรเรื่องนี้นางต้องสื่อเพ่กระจ่าง นางไม่มีวันเชื่อเด็กขาดว่าพระนัทดาองโตที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อหน้านางจะเสด็จสวรรคตหลังจากขึ้นครองราชได้ไม่ถึงปีต่อให้ร่างกายจะมีโรคประจาตัวซ่อนอยู่แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีวี่แววเลยแต่ฝ่าบาทในยามนี้ก็เป็นหลานของท่านและเป็นหลานของนายท่านเช่นกันนะพญค่ะจงชวนกล่าวด้วยความ เ, เตือนใจเงยหน้ามองสุหลีแล้วพูดว่า ไม่ว่าอย่างไรทั่วล่าก็ต้องมองมาที่พระองค์หากพระองค์ในฐานะจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่แห่งต้าอาวี๋กับไม่มีแม้แต่สิ่งที่ควรจะมีนายหญิงท่านคิดว่าใต้ล่าจะมองอย่างไรหรือพวกเจ้าคิดว่าข้าจะทำร้ายจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่อย่างนั้นหรือสุลีแค้นเสียงเย็นชามองทั้งสองด้วยความไม่พอใจเหตุเพลิงมิที่ตหนักตาซิงได้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปทั่วเมืองอวีตูแล้วจงชวนกล่าวต่อ พวกกระหม่ อ, ยอมย่อไม่มีวันเชื่อว่านายหญิงจะทำร้ายพระนัดดาแท้ๆของตนเองแต่จิตใจคนเรานั้นบางครั้งก็ยากแท้อย่างถึงนายหญิงไม่คิดเช่นนั้นแต่คนอื่นเล่าหืมสุลีชะนักไปครู่หนึ่งนางคล้ายจะคิดอะไรบางอย่างได้ข้าเหนื่อยแล้วพวกเจ้าถอยไปเถิดสุลีเงียบไปนานก่อนจะเลิกมองจงชวนทั้งสองคนแล้วกล่าวเบ า, เบาๆนายหญิงนายหญิง จงชวนและชางหลีเห็นดังนั้นต่างก็ร้องเรียกซุนหลีแต่เหลียงหงที่คอยรับใช้อยู่หน้าบาลังหงกลับรีบเดินเข้ามาหาพวกเขาในทันทีท่านก่ดกลมทั้งสองหลังไถ ห, หงไถเฮาทรงเหนืล้าแล้วท่านทั้งสองเชิญถอยออกไปก่อนเถิดเหลียงหงขวางหน้าทั้งสองคนพรางผายมือเชิญจงชวนและชางหลีสบตา ก, กันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายก่อนจะค่อยคอยพยุมกายลุกขึ้นอย่างสันเทาภายใต้เสียงถอนหายใจของจงชวนทั้งสองจึงเดินออกจากถงใหญ่ไปเรื่องที่ข้าสั่งให้เจ้าไปสืบด้วยความเมื่ออย่างไรบ้าง สุลีที่หลับตาพักผ่อนอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นมองเหลียงห่วงด้วยสายตายเย็นชาบ่าวเหลียงห่วงลังเลเจ้าพวกขยะสุหลีดวาดลัน่นไปสืบต่อให้ข้าหากเรื่องนี้สืบไม่ได้ความเจ้าก็จงไปตายตกตามหลานของข้าเสียเถิดพยาค่ะเหลียงห่วงคุกเข่าลงกับพื้นรับคำเมื่อเทียบกับบรรยากาศ ก, กดดันภายในถงใหญ่ด้านนอกในเวลานี้ พี่เจ็ดทําเช่นนี้จะได้ผลจริงๆหรือช่างหลีไม่ได้มีท่าทีเหมือนก่อนหน้านี้เขาเดินอย่างสงบภายใต้ความมืดมิดพรางกล่าวกับจงชวนที่เดินมาด้วยกันต่อให้นายหญิงยอมทําอะไรบางอย่างจริงๆแต่สําหรับจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่แล้วเกรงว่าอาจจะจะได้ผลหรือไม่ก็ต้องรอดูไปก่อนจงชวนกล่าวด้วยสีหน้าทอดถอนใจ ตั้งแต่วันที่จักรพรรดิองค์ใหม่ประทับบนบันลังนั้นบางสิ่งบางอย่างพระองค์ต้องแบกรับเพียงลําพังหากแบกรับไว้ได้พระองค์จึงจะเป็นจักรพรรดิแห่งต้าอาวีที่แท้จริงแต่หากแบกรับไว้ไม่ได้จิตใจของผู้คนในต้าอาวีก็จะแตกส่าไปจริงๆเหตุใดฮองเฮาถึงเสนอชื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชช่างหลีขมวดคิ้วกล่าวที่สําคัญคือห่วงไทเฮากับเห็นชอบด้วยเบื้องหลังเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันถึงสิ่งใดอีกระวังคําพูดจงชวนมองซ้ายมองขวาด้วยความระแวดระวัง น้องเลยคำพูดเหล่านี้จงให้มันโนตายอยู่ในท้องเสียก่อนจะสืบเรื่องบางอย่างให้กระจ่างห้ามพูดออกมาอีกพวกเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจะตายไม่ได้เด็ดขาดนั่นสีนะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปช่างหลีกลับกล่าวด้วยความเศร้าส้อยต่อให้ต้องตายก็ขอให้ตายช้าลงอีกสักไม่กี่ปีมิเช่นนั้นทั้งข้าและท่านคงไม่มีหน้าไปพบพี่ใหญ่ได้